นิทานเรื่องแพะระลึกชาติ มีพราหมณอาจารย์ทําหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสี คือชาตินั้นฆ่าสัตว์บูชาวันนั้นชาติ อยากทําบุญให้ญาติแล้ว ก็จะต้องอาบน้ําชําระร่าง ขณะที่ยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ํานะก็ ล็อกอ่ะอาจารย์ หาอืมเออวันนี้พระสวยมากพุทธเจ้าอาบน้ําแต่งตัวให้มันเป็นอย่างดีอ่านี่ท่านอาจารย์ครับว่าไงวัน เออหัวเราะเดี๋ยวร้องหายครับแล้วมันเป็นยังไงล่ะก็พวกเราไปถามถึงเหตุผลนะ เจ้ามีเรื่องอะไรดีใจแล้วร้องไห้ทําไมมีเรื่องอะไรดีใจมีเรื่องอะไรเสียใจ<อ> ว่าท่านอะไรกันงงมากรับทุกเหมือนที่ข้าพเจ้าเคยได้มาแม้อาลัยไหนๆ โอติแล้วคราวหนึ่งก่อนไปเหมือน 499 ชาติจนมาถึงชาติปัจจุบันนี้ฮะหาจนมา 500 และวันนี้เองจะเป็นวันหมดเวรของข้าแลแล 500 แม่เอ่อนี่เจ้าพระอย่ากลัวเลยนะถ้าถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างที่เจ้าคิด บาปกรรมเก่ามันตามมาทันอีกแล้วแม่เอ๊ะหมอรอไม่ฆ่า ท่านจะช่วยคุ้มครองให้ข้าพเจ้าพ้นจากเออถ้าอย่างนั้นเราจะสั่ง อ่ารู้สึกหิวก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระๆ จนกระท่อนเดินไปถึงภูมิไม้แห่งหนึ่ง หลังจากหายตกใจแล้วหายตกใจแล้วก็พากัน แล้วกล่าวขึ้นว่าหากรู้ว่า ผู้ถูกไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้า